จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดตุลาคมพุทธศักราชสองพนห้าร้อยห้าสิเก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสร้างความสุขให้แก่ชีวิตจิตใจและเป็นการเตรียมตัวในยามที่เราจะต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปถ้าเรามีบุญมีศีลมีธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็จะไปดีไปสบายไปด้วยความสุขถ้าเราไม่มีบุญไม่มีศีลไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าพาไปเราก็จะไปลำบากไปทุกข์ยากไปวุ่นวายไปพบกับทุกข์ภัยอันตรายต่างๆพระพุทธเจ้าจึง ส, งสอน ให้พวกเรามันทำบุญกันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าประมาทนอนใจเพราะชีวิตของเรานี้มันหมดได้เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้หมดได้ทุกเวลาไม่ว่าจะมีอายุมากหรือมีอายุน้อยเวลามันจะหมดมันก็หมดไปเราก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ ฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่มีของดีๆติดตัวไปการฟังเทศฟังธรรมการทาบุญการรักษาศีลก็เหมือนกับการตีตัวระบินจองที่พักเปลี่ยนเงินให้เป็นเงินที่เราเอาไปใช้ในต่างประเทศได้เวลาที่เราต้องปุ๊บปั๊บออกเดินทาง เกิบ้านเมืองมีเรื่องราววุ่นวายอยู่ไม่ได้ถ้าเรามีตั๋วเรื่บินมีวีซา่ามีจองที่พากไว้ที่ต่างประเทศมีเงินทองติดตัวไปเราก็ไปสบายไม่ต้องอยู่กับบ้านเมืองที่กําลังมีสงครามหรือมีเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนที่เราเห็นกันในข่าวที่ประเทศบางเทศบางประเทศ เขามีการต่อสู้กันแข่งแย่งชิงดีกันมีสงครามกลางเมืองพวกที่เตรียมตัวไว้ก่อนพวกที่มีวีซา่ามีตัว๋วหรือบินมีเงินเขาก็ขึ้นเครื่องบินกันไปพวกที่ไม่มีก็ต้องเดินไปเดินไปด้วยความยากลำบากไปลี้ภัยอยู่ประเทศข้างเคียง ไปอยู่ตามแคมป์ต่างๆไม่มีที่ไปเพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้พวกที่ไปไม่ได้ก็ต้องอยู่กับภัยอันตรายที่เกิดจากการต่อสู้กันบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตไปบางคนก็เสียพิกลพิการไป เสียลูกเสียภรรยาเสียสามีเสียบิดามาดานี่คือเรื่องของโลกของพวกเราที่พวกเราอยู่กันไม่มีใครรู้อนาคตว่าพรุ่ง น, นี้อะไรจะเกิดขึ้นทั้งกับเหตุการณ์รอบตัวเราและเหตุการณ์ของร่างกายเราจู่ๆมันจะเจ็บไข้ได้ปวดมันก็จะเจ็บขึ้นมาจู่ๆมันจะตายมันก็ตายไป อย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราอย่าประมาทกันให้รีบทำบุญกันให้รีบเตีตัว๋วให้รีบทำวีซ่ากันให้รีบจองที่พักกันเพราะถึงเวลาเราจะไปหิลลกระเป๋าใบเดียวก็ไปได้เลยถ้าเราไม่เตรียมตัวมัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องราวที่เรากินอยู่กันหาความสุข เล็กๆน้อยๆไปวันๆหนึ่ง <Yeah. S 1> พอถึงเวลาจะไปจะไม่มีอะไรติดตัวไปจะไปแบบผู้อพยพผู้ลี้ภัยบางพวกก็ต้องนั่งเรือกันแล้วก็ไปจมกลางทะเลกัน <Yeah. S 1> เพราะว่าประมาทขณะที่มีโอกาสที่จะเก็บเงินเก็บทองมีโอกาสที่จะทำวีซ่าตีตั๋วรบิน จองที่พักก็ไม่จองกันไม่ทำกันพ อ, อถึงเวลาจะต้องไปก็ไปด้วยความยากลำบากไปเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆและอาจจะไปไม่ตลอดลอดฝั่งพระพุทธเจ้ารู้ว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่จะต้องออกเดินทางต่อไปเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราว ต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องมีวันตายพอตายแล้วเราก็ไม่สามารถพึ่งร่างกายนี้ได้เราก็ต้องออกเดินทางไปถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไว้ไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไปอบายกันไปอยู่ตามแคมป์อบพยพแคมอบพยพของพวก ที่ไม่ได้เตรียมบุญเตรียมศีลไว้ก็จะไปไปอยู่แคมป์ของสุนัขบ้างแคมป์ของแมวบ้างแคมป์ของปลาแคมป์ของปูแคมป์ของสัตว์ต่างๆบ้างหรือไม่เช่นนั้นก็ไปอยู่กับพวกขอทานพวกขอทานก็คือพวกเปรดหรือไปอยู่ในแคมป์อพยพที่มีภัยรอด้านก็เป็นพวกอสูรกาย หรือพวกที่ไปไม่ได้ติดอยู่ก็ติดอยู่กับภัยอันตรายต่างๆก็เรียกว่านรกนี่คือที่ไปสําหรับพวกที่ไม่เตรียมตัวไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลไม่มีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไปทุกข์ยากลําบากอยู่ตามแคมป์อบพยพศูนย์อบพยพของผู้รีภัยต่างๆ ซึ่งไ ม, ม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจะอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่นี่คือดวงจิตดวงใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราคือผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งร่างกายผู้ใช้ร่างกายผู้อาศัยร่างกายให้หาความสุขต่างๆแต่พอร่างกายไม่สามารถอาศัยได้เราก็ต้อง ออกเดินทางไปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกับประเทศบ้านช่องที่เราอยู่นี่ถ้าบ้านช่องเราสงบเป็นปกติเราก็อยู่กันทำมาหากินหาความสุขต่างๆกันได้แต่พอบ้านช่องเกิดสงครามขึ้นมาเกิดการฆ่าฟันการเกิดการยิงกันเกิดการระเบิดกันบ้านก็ถูกระเบิดตูมตามอยู่ไม่ปลอดภัย ถ้าไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ถ้าเตรียมตัวไว้ก็ขึ้นเครื่องไปไปอพยศไปอยู่ประเทศอื่นขอวีซ่าไว้แล้วขอรีภัยไว้ล่วงหน้าก่อนพอถึงเวลาเราก็จะไปได้พวกที่ทาบุญพวกที่รักษาศีลพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆไปเป็นเทพแล้วถ้า เขาวัดถือสีลแปดปฏิบัติธรรมก็จะไปพรหมโลกนแล้วถ้าฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่า<ม>การเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์<ม>เหตุที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่างๆเช่นความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตความอยากมีความสุขไปตลอดและความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความอยากไม่จนความอยากไม่ทุกข์ยากลำบากความอยากเหล่านี้จะเป็นเหตุที่ทำให้ใจเราไม่สบายกันทำให้ใจเราทุกข์เราวุ่นวายแะทำให้ใจเรา ต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาตายไปแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอมาเกิดก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเตรียมตัวกันไว้เพราะถ้าเรารู้ว่าการมาเกิดไม่ดีเราก็จะได้มาหยุดการเกิดกันดีกว่าเพราะเกิดมาก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดผาจากกัน มาเจอความทุกข์ต่างๆที่เรากำลังเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกข์กับความกลัวกลัวว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงกลัวว่าจะไปประสบอุบัติเหตุกลัวว่าจะอดยากขาดแคลนมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวกันต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาชีวิต แต่ดิ้นยังไงสู้ยังไงก็สู้ความจริงไม่ได้ความจริงก็คือร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปในที่สุดพอตายไปก็ไม่เข็ดยังอยากจะกลับมาเกิดใหม่ก็กลับมาเกิดใหม่มาดิ้นโนกันใหม่มาทุกข์กันใหม่เพราะเราไม่รู้เหตุที่พาให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เราจะไม่มีวันรู้เลยและเราจะไม่รู้รู้รู้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆของพวกเราที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ล้วนเกิดจากความอยากของพวกเราเองพออยากจะได้อะไรก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องดิ้นดลนหามาให้ได้ถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์เสียใจถ้าหาได้ก็ดีใจเดี๋ยวเดียว แล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่อยากจะได้สิ่งอื่นใหม่ก็ต้องรุ้นหาไปเรื่อยๆทุกไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราสามารถอยู่กันได้โดยไม่ต้องมีความสุขโดยไม่ต้องมีการทำตามความอยากไม่ต้องมีสิ่งต่างๆที่เราอยากได้เช่นลาบยศสรรเสริญสิ่งต่างๆข้าวของเงินทอง ของดูของฟังของกินของดื่มต่างๆของพวกนี้เราไม่มีเราก็มีความสุขได้เพราะความสุขของพวกเรานี้อยู่ที่การไม่มีความอยากนี่เองถ้าเราหยุดความอยากได้ใจของเราจะสงบแล้วจะมีความสุขมากกว่าการที่เราได้อะไรต่างๆตามความอยากของเรา เพราการได้ของที่เราอยากได้มามันก็จะต้องหมดไปวันใดวันหนึ่งพอมันหมดไปความสุขที่เราได้จากมันมันก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เราเกิดความอยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปหาใหม่ถ้าหาได้ก็ก็รอดตัวไปสุขเดียวเดียวถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์แล้วต่อไปก็จะต้องหาไม่ได้ เวลาร่างกายแก่ลงไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาความสุขทางร่างกายได้อย่างไรพอหาไม่ได้ก็มีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความซึมเศร้าไปไหนไม่ได้อยู่บ้านคนอื่นเขาออกไปข้างนอกกันทิ้งให้เราอยู่บ้านคนเดียวอยู่กับหมาอยู่กับแมว อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตามมาต่อไปร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องพิกลพิการจะไม่สามารถใช้มันพาเราไปหาความสุขต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราสามารถทำใจให้สงบได้เราจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขเพราะความสุข นั้นอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่การไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีความอยากแล้วอยู่เฉยๆไม่ได้จะต้องไปหาต้องไปเอาสิ่งที่เราอยากได้แล้วได้มาแล้วความอยากก็ไม่หายไปความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาอีกพอได้ดูได้ฟังแล้วเดี๋ยวก็อยากได้กิน ได้กินเสร็จก็อยากจะไปเที่ยวต่อมีแต่ของอยากเพิ่มเติมไปเรื่อยๆได้สิ่งนั้นแล้วก็อยากจะได้สิ่งนู้นต่อพอไม่ได้ก็หดหดหิตลำคาญใจแล้วพอได้มาก็ต้องมาทุกข์กับของที่เราได้มาเพราะเดี๋ยวมันอาจจะหายไปก็ได้อาจจะเสียไปก็ได้อาจจะพังไปก็ได้อาจจะหมดไปก็ได้ ก็ต้องกังวลทุกข์กับของที่เรามีของที่เราคิดว่าจะมาให้ความสุขกับเรากลายเป็นของที่ทำให้เราต้องมีความทุกข์นี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไปทำตามความอยากกันเราไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการพาเราไปสู่ความทุกข์ต่างๆพาไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดการไม่มีความอยากนี้ จะทำให้เราไม่ต้องไปพบกับความทุกข์ต่างๆจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายจะทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสรู้ก็ต้องสัตว ร, รู้ความจริงอันนี้แหละความจริงว่าความทุกข์อยู่ที่ความอยากความสุขอยู่ที่การไม่มีความอยากและการที่จะไม่มีความอยากได้ก็ต้อง ทำบุญทำทานต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องนั่งสมาธิต้องใช้ปัญญาให้เห็นโทษของความอยากนี่คือวิธีที่เราจะกําจัดความอยากต่างๆได้เช่นเราอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นไม่มีเราก็ไม่ตายเราก็อยากเอาไปซื้อเก็บไว้ซื้อของจําเป็นก็ได้หรือถ้ามีมากเกินไป ก็เอาไปทำบุญเอาไปให้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากไปซื้อของที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพเช่นเวลาคนเขามีไฟไหม้น้ำท่วมเราก็ซื้อมามา่าซื้อปลากระป๋องซื้อน้ำซื้ออะไรต่างๆเอาไปแจกกันอันนี้เป็นการใช้เงินที่ถูกวิธีใช้เงินที่จะสกัดความอยาก ซื้อของฟุ่มเฟือยเช่นซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้ออะไรที่เรามีอยู่เยอะแยะอยู่แล้วที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อหรือไปไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงไปอะไรต่างๆใช้เงินแบบนี้เป็นการสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพอใช้ไปแล้วมันก็จะหมด หมดเราก็ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินมาใช้ใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะอยากจะซื้อของตามความอยากต่างๆเอาไปาเก็บไว้สำรองไว้หรือเอามาทำบุญทำทานเราก็จะได้ประโยชน์ใจของเราก็จะลดความอยากใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆลดการอยากใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แล้วเราก็จะมีความสุขมีความสบายใจเวลาเราได้ทำบุญเราจะมีความสุขใจสบายใจประโยชน์ของการทำบุญนี่มีหลายประโยชน์ด้วยกันอันหนึ่งก็ทำให้เราลดความอยากใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยลดความอยากใช้เงินไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้สองบุญที่เราทำนี้ ก็จะให้เรามีความสุขใจอิ่มใจเวลาตายไปบุญนี้ก็จะเป็นสเสบียงเป็นเหมือนเงินที่เราเอาติดตัวไปได้ถ้าเรามีมุญไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นเปรตกันเปรตนี้คือพวกที่ไม่มีบุญพวกที่เวลามีชีวิตอยู่ไม่ได้ทาบุญกันเอาเงินไปเที่ยวกันเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินไป หาความสุขทางตาหูจมกูกริ้นกายกันอพอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมาวนเวียนอยู่แถววัดรอให้คนที่มาทำบุญอุทิศบุญให้ไปเป็นเหมือนขอทานเพราะว่าไม่มีเงินบุญนี้เป็นเหมือนเงินที่เราจะใช้ได้ในโลกทิพย์ถ้าเรามีบุญเราก็ไปพักโรงแรมสี่ดาวห้าดาวได้ ไปซื้อถั่วพาเราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไปจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าสิ่งจำเป็นต่างๆได้แต่ถ้าเราไม่มีบุญเราก็ต้องเป็นขอทานดังนั้นประโยชน์จากการทำบุญนี้มีหลายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเวลาตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาแล้วเวลากลับมา เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมีเงินที่เราเก็บไว้อยู่ในธนาคารบุญรอเราอยู่กลับมาก็จะไม่ยากจนกลับมาก็จะร่ารวยกว่าเก่ากว่ากว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำบุญการรักษาศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายไม่ให้ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต ไปเป็นอสุรกายไปตกนรกตายไปถ้าไม่ได้ทำบุญก็กลับมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ถ้าได้ทำบุญก็ไปเป็นเทวดาไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะสามารถนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ถ้านั่งสมาธิทำใจให้สงบ เราก็จะไปเป็นพรหมกันสวรรค์ชั้นพรหมนี่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพมีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นเทพผู้ที่ไปจะไปสวรรค์ชั้นพรหมนี่ได้ต้องรักษาศีลแปดต้องไม่หาความสุขทางร่างกายเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่กินอาหารมากเกินไปไม่กินอาหารตามความอยากไม่ได้กินเพื่อความสุข กินเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่พอพออยู่ได้แล้วก็ไม่หาความสุขจากการไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวทำเเผาทำผมใช้น้ำหอมใช้น้ำมันต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากเกินไปนอนพอให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอคือนอนประมาณ4ี่ห้าชั่วโมง ถ้านอนบนฟูกนันหนามันจะนอนมากเพราะเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากลุกเพราะมันสบายนอนบนฟูกนหนานาก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงแทนที่จะลุกขึ้นมานั่งสมาธิเพื่อจะได้ความสุขที่ดีกว่าจากการจากความสุขที่ได้จากการหลับนอนก็จะไม่ได้ตายไปก็จะไม่ได้ไปสวรรค์ชั้นพรหม แต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆปูเสือ่อปูผ้าแล้วพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาเราก็จะไม่อยากนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งนอนไม่สบายซูลุกขึ้นมานั่งสมาธิดีกว่าเพอนั่งสมาธิจะได้ความสุขมากกว่านอนบนฟูกนานหานี่คือ อุบายวิธีของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้พวกเราได้มีเวลามาสร้างบุญสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่คือความสุขที่เกิดจากความสมงบระงับจากความอยากต่างๆการที่เราจะทําให้ใจเราระ ง, งับจากความอยากต่างๆเราต้องหยุดความคิดให้ได้อย่าคิดวิธีที่ไม่คิดง่าเราคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่นให้คิดอยู่กับพุทโธพุทโธไประลึกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจเหมือนกับเวลาที่เราคิดเวลาเราคิดเราก็ไม่ได้พูดออกมาใช่ไหมเวลาที่เราคิดจะด่าใครเราก็ไม่ได้พูดว่าแหมอยากจะด่าเธอเหลือเกินก็ไม่ต้องพูดคิดระลึกถึงพุทโธก็ไม่ต้องออกเสียงพุทโธพุทโธไปภายในใจเหมือนกับเวลาเราคิดถึงเรื่องต่าง เพียงแต่ว่าถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธมันจะทำให้เราไม่มีความอยากเวลาที่เราคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟคิดถึงที่เที่ยวเราก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเราก็จะไม่มีความอยากแล้วก็ใจก็จะสงบพอใจสงบใจหยุดคิดก็จะมีความสุขความสุขที่ดีกว่า ได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มกาแฟได้ไปกินขนมนมเนยต่างๆคนที่มีความสุขทางใจจึงมักไม่ค่อยจะมีร่างกายที่อ้วนมากเพราะเขาอิ่มใจเขาไม่ต้องกินขนมนมเนยไม่ต้องกินข้าววันละสี่ห้ามือ้อเพราะใจไม่หิวใจมีความอิ่มมีความสุขจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วพอออกจากสมาธิมา ก็สอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะถ้าทําตามความอยากแล้วความสงบจะหายไปความวุ่นวายใจจะกลับมาแล้วจะทำให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคอยใช้ปัญญาสอนใจคอยสกัดความอยากแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องทําตามความอยากและจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจ พอไม่มีความอยากเหลืออยู่เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่พระนิพานพานพระนิพพานก็คือใจของผู้ที่ไม่มีความอยากใจของผู้ที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือเรื่องของการไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารีบทำกัน ก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะอยู่ไปถึงพรุ่งนี้หรือไม่ <Yes. S 1> เดินไปอาจจะเลื่อนหกล้มหัวฟาดพื้นตายไปข้าีเดินไปข้ามถนนเผลอมองไม่ทันรถวิ่งมาชนเราตายก็ได้ mm. เดินไปเจอโจรผู้ร้าย <c oughs> เขากำลังป้นกำลังยิงกันเดินลูกหลงโดนกระสุนเข้าก็ได้ไม่มีอะไรแน่นอน นอย่าประมาอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทำบุญกันไม่รักษาศีลกันไม่นั่งสมาธิกันไม่ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วพอถึงเวลาจะต้องไปปลับปรับก็จะไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีวีซา่าไม่มีเงินติดตัวไปก็จะต้องไปแบบผู้อพยพแบกบข้าวแบกบของเดินข้ามน้าข้ามทะเลไปกัน ไปมือจะไปตลอดรอดฝังหรือเปลา่าจะไปตายกลางทางก็ได้ดังนั้นอย่าประมาทชีวิตของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้มันไม่แน่นอนแต่ใจของเรานี้ไม่ตายแต่ใจของเราจะไปอย่างสบายหรืออยากไปบากระบากจะอยู่แบบสบายหรืออยู่แบบลำบากก็อยู่ที่ว่าเราทําบุญหรือไม่เรารักษาศีลหรือไม่เรานั่งสมาธิกันหรือไม่ เราแฝงเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากันหรือไม่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะเตรียมกันทํากันเพราะเวลาที่เราจะไปไม่รู้จะไปกันเมื่อไหร่ถ้าเตรียมไว้แล้วเวลาไปก็ไปอย่างสบายถ้าไม่ได้เตรียมก็ไปแบบฉุกราหดฉุกละหุกหโกลาหนไปอย่างยากลําบาก ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย